ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุหลายรูปภาคที่เจเรื่องที่198พระาศาสดาประทับอยู่นะพระเชตวันทรงปราบพภิกษุหลายรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะว่ากรณนะมัตเตนะเป็นต้นตอนพระเทระบางพวก อยากได้ลาบสการะความพิสดารว่ามีในสมัยหนึ่งพระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรทำการรับใช้เช่นยอมจีวรเป็นต้นให้อาจารย์ผู้สอนธรรมะแกะต่ตนจึงคิดว่าแม้เราก็เชี่ยวชาญในด้านหนังสือแต่ไม่เห็นเกิดผลดีอะไรเลยถ้าใคร เราต้องเข้าไปฝ้อบรัษศาสดาทูลอย่างนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านหนังสือกอพระองค์จงบังคับภิกษุหนุ่มและสามเณรว่าถ้าพวกเธอเรียนธรรมะในสำนักของอาจารย์อื่นแล้วถ้ายังไม่สอบทานในสำนักของภิกษุเหล่านี้อย่าพึ่งสาธยายก็โดยวิธีการนี้ ลาบสการะจะเจริญแก่พวกเราอังนี้พระเทราเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบถุนอย่างนั้นพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วทราบว่าว่าโดยประเพณีที่ปฏิบัติตามศาสนาใครๆก็พูดเช่นนั้นได้แต่ภิกษุเหล่านี้ เห็นแก่ลาบสการะและได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าคนดีเพราะเหตุสั่งว่าพูดคล่องแคล่วแต่ผู้ใดตัดความริษยาเป็นต้นเหล่านี้ได้ด้วยอาราตตะมักผู้นั้นแหละชื่อว่าคนดีแต่นี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดะนะ ผู้มีความริษยามีความตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะเหตุสักว่าพูดกลองแกล้วหรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม่ได้ส่วนผู้ใดตัดความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดถอนขึ้นทำให้รากาศผู้นั้นขายโทษาได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่าคนดี บาลีว่านะว่ากรณะมันเตนะวันนะโอคะตายะวาสาธุรูปโอนะโรหโิอิสุกีมัจฉรีสะโถ ο, ยัตสะเจตังสมุตฉินนังมูละคจังสมูหาดังสวันตะโทโสเมตาวีสาธุรูปติวุจติ ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคําว่านะว่ากระนามาเตนะแปลว่าเพราะเหตุสักว่าพูดคล่องแคล่วหมายความว่าเพราะเหตุสักว่าพูดคือสักว่าถ้อยคําอั้นมีกฎเกณฑ์ถูกต้องคําว่าวันนโปกขาตายะวาแปลว่าเพราะมีผิวกายงามข้อนี้หมายถึง เพราะมีความน่าประทับใจโดยมีผิวกายงามคำว่านะโรแปลว่านราเป็นต้นนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีใจริสยาในลาบสาการะของกุนน่นเป็นต้นมีความตระหนี่ห้าอย่างชื่อว่าเป็นผู้โอ้อวดเพราะคบธรรมะฝ่ายข่าศึกจะชื่อว่าเป็นคนดี เพราะเพียงเหตุเท่านั้นหาไม่ได้คำว่ายัสสะเจตังแปลว่าส่วนผู้ใดตัดความริสยาเป็นต้นนี้หมายความว่าส่วนบุคคลใดตัดความไม่ดีเช่นความริสยาเป็นต้นได้ขาดด้วยอารหัตตมรรคยานถอนขึ้นทำไม้รากาดแล้วบุคคล น, นั้นขายโทสาได้แล้ว มีปัญญาทันมีรสแห่งธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นคนดีในการจบเทศนาคนจานวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องภิกษุหลายรูป